วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเราได้พูดมาถึงเรื่องของอวิชชาด้วยลำดับอวิชชานั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็นแปดประเภทด้วยกันเรียกว่าอาวิชชามีวัตถุแปดคือความไม่รู้ในทุกข์ในสมุทัยในโรสในมรรค ในอดีตในอนาคตทั้งอดีตและอนาคตและในกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งคำว่าความรู้ในที่นี้คำว่าความไม่รู้ในที่นี้หมายถึงการไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงจนมีการลดละกิเลสออกไปจากจิตใจและทำลายกิเลสออกไปได้อย่างสิ้นเชิง เพรา ะ, ะนับจากราลักษณะของจิตใจยัยยงเป็นชนิดอยู่ท่านก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบของอวิชาอาวิชาที่รุนแรงก็กลายเป็นความมืดบอดทํานองเราตกอยู่ในสถานที่ที่มืดมองไม่เห็นอะไรเลยการเคลื่อนไหวต่างๆจะยุ่งยากลําบากและจะเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายมากแต่บางครั้งก็ไม่มืดรุนแรงขนาดนั้นงนั้นบางระดับท่านจึงแปลว่า ความรู้ไม่จริงหมายความมารู้เหมือนกันแต่รู้ไม่จริงไม่เป็นความรู้ทุกแน่ทุกปุ่มหรือตลอดสายก็เร่งเราเนี่ยอย่างที่ท่านจำแนกระดับความรู้ไว้เป็นสามระดับในวิสุทธิมรรคความรู้ระดับแรกเรียกว่ารู้แบบสัญญาคือจำมา อะไรก็ตามที่เป็นประสบการณ์ตรงของตนแล้วก็ตนก็จาไว้อย่างนั้นสามารถบอกกล่าวชี้แจงอธิบายคนอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจได้ตามที่จาไว้เพราะในกรณีนี้ถ้าจำได้น้อยมันก็พูดได้น้อยจำได้มากมก็พูดได้มากแต่ไม่มีใครจำได้ทุกแง่ทุกมุมระดับที่สองเป็นความรู้ที่ท่านเรียกวิวญญาณ คือเป็นความรู้แจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่มุมสลับซับซ้อนมากขึ้นเราสามารถจะมองในแนวอนุมานแนวเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันจากปัจจุบันไปคาดหมายผลในอนาคตต่างๆได้แต่ยังหาข้อยุติที่ชัดเจนแน่นอนไม่ได้อีกระดับหนึ่งเป็นความรู้ระดับที่เรียกว่าปัญญาบ้างเรียกว่าชิดชบ้าง เป็นประสบการณ์ตรงทางใจที่ผ่านการศึกษาการประพฤติการพินิพิจารณาการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นสัมผัสทางใจที่ใครก็ตามมาสัมผัสแล้วก็จะรับผลเช่นเดียวกันความรู้ระดับนี้จึงเป็นความรู้ที่ทองแท้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีการลดกิเลสออกไปได้ พอ ต, ตัวความรู้นั้นมีสถานะเป็นแสงสว่างกิเลสทั้งหมดมาจากวิชาจะเป็นความมืดมันความรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องลดความมืดรงไปได้แต่ความรู้ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องขจัดความมืดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะนั่จะเห็นได้ว่าปุตุชนเราทุกๆคนตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระคก็ยังถือว่ามีกวิชาอยู่ แม้แต่คนระดับพระอนาคามีซึ่งถือว่าเป็นพระยบุคคลระดับสามแล้วท่านก็ยังมีอวิชชาอยู่เพียงแต่อวิชชาของพระยบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปนั้นสามารถปิดประตูอบายได้หมายความว่าแมา้แม้ท่านจะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็ตามท่านจะไม่กระทำกรรมเป็นเหตุให้ตกนรกทั่นเรียกว่าปิดประตูอบาย อันยังต้องเกิดดีก็จะเกิดในเทวดาและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเกิดเป็นเทคเพราะด้ยเพราะว่าความรู้ระดับหนึ่งนั้นขัาจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงที่ต้นกล่าวถึงการละสังโยชน์ได้สามประการความไม่รู้ในองค์มรรคนั้นอริยมรรคนั้นแปลว่าทางเป็นเครื่องดำเนินหรือทางเดิน อันที่จริงทางเดินในโลกนี้แม้จะมีสักกี่ร้อยทางก็ตามก็มีทางผิดทางถูกทางควรเดินกับทางไม่ควรเดินทันจริงกาหนดวิธีชีวิตคนออกเป็นสองสายตามกระแสของกุศลและกุศลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ถ้าหากว่าเป็นการเดินที่ค่อนข้างจะถาวรคือเด่นชัดมาก ท่านก็เรียกคนนั้นว่าทุกขโตคือไปไม่ดีเดินไปไม่ดีที่เราเรียกคนพานคนชั่วหัวเขาโบยอะไรแต่อะไรต่างๆแต่เราทอสะท้อนกลับเข้าไปที่ใจเขาจะพบว่าใจเขานั้นมีความโลคความโกรธความหลงที่แรงหมายความมาอาวิชาก็แรงความรู้ที่เรารู้อยู่บางระดับก็เป็นความรู้ที่ไม่จริง เพราะอะไรเพราะเป็นความรู้ที่ไม่สามารถสร้างความสวัสดีให้แก่ตัวเองได้ในจุดนี้มันเกิดความเกิดความขัดแย้งกับความรู้สึกลึกๆของทุกชีวิตทุะชีวิตแต่และชีวิตนั้นรักตนถนอมตนปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนแต่ว่าการที่ปล่อยกายปล่อยใจให้เคลื่อนไหวไปตามกระแสของบาปของอกุศลจนกลายเป็นทุกขโตคือไปชั่วดําเนินไปชั่วนั้น แ, แสดงว่าความคิดของตนเองเป็นค่าสืบตัวตนเองความคิดออกไปสู่การกระทาและคำพูดเป็นตัวดึงปัญหาต่างๆมาสู่ชีวิตของตนเป็นความรู้ที่คุ้มครองตัวเองไม่ได้ลักษณะของวิชาจึงยังมีรุนแรงอยู่ภายในจิตใจของคนโดนั้นอาการทั้งหมดของเขาก็ออกมาไปตามกระแสะของความโลภความโกรธความหลง ซึ่งแต่ละอย่างมักจะแรงบางครั้งบางคราวก็จะมีการกระตุ้นเร่งราวมาจากข้างนอกด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลเหล่านั้นก็จะรุนแรงขึ้นไปโดยดั่งดับตำนองโจรที่เริ่มรักของเล็กๆน้อยๆมาจนกลายเป็นโจรปล้นฆ่าเราจะเห็นว่าความชั่วเหล่านั้นสะสมไวในจิตสันดานของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือความชั่ว อย่างที่พระเจทรงแสดงเอาไว้ว่ า, วาบุคคลที่ทําชั่วโดยเขาไม่รู้หรือว่ารู้ก็ตามว่าไม่เป็นความชั่วว่าไม่เป็นความชั่วว่าเป็นความชั่วในขณะที่ทําอยู่นั้นอาจจะรู้สึกสบายรู้สึกสะใจรู้สึกพอใจที่ได้ทําอะไรไปตามอํานาจของอารมณ์มันจะเหมือนกับคนที่กินอ้อยซึ่งหวานในตอนปลาย แต่ไปเจอมีพิษก้าวในตอนโคนความชั่วจะแผดเผาบุคคล น, นั้นในโอกาสต่อไปแต่ไปถึงจุดนั้นมันก็ไม่มีใครแก้ไขอะไรได้เพระผลของบา ป, ปรกรรมนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนแต่นนคนประเภทนี้ไปตายไปแล้วท่านเรียกว่าไปสู่ทุกขติเวอาการตกต่ำทางจิตวิญญาณตกต่ำทางชาติพบ ซึ่มันเริ่มมาจากตกต่ำทางจิตตกต่ำทางพฤติกรรมทั้งหลายและนเรียกว่าทุกขโตก็ไปสู่ทุกขติซึ่งอาจจะอาศัยอวิชชามากบ้างน้อยบ้างตรงนี้ก็เกิดการจําแนกกรรมคือการกระทําในแต่ละขณะแรงมากบ้างแรงน้อยบา้างวันตั้นสาวุนทั้งหลายเห็นว่าเอาก็จริงทุกขติเองมันก็มีความรุนแรงที่ไม่เหมือนกัน ยา น, นเทียบอบายทั้งหลายแล้วนรมนกมากแรงที่สุดประสบความทุกข์ทรมานนานที่สุดและเจ็บป ว, วดร้าวมากที่สุดเราลงมาก็เป็นเปรตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความหิวโหยอสุรกายเป็นภาพของความหลอกปลวงหลอกรล อ, ล อ, ล อ, ลอนผลประโยชน์แก่ตัวเองทุกทรมานอะไรก็ไม่มากนักแล้วก็สัตว์ไราชาติ เราเชืว่าสาธิติรชานถ้าเที่ยวกันนโรกแล้วมันก็ทุกน้อยกว่าเยอะแต่ทั้งหมดมันเป็นสภาพของจิตที่ถูกกุ่มรุมด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมคันอย่างที่โบราณอาจารย์เกิดจารย์ในรุ่นหลังท่านจำแนกคนออกไปตามสภาพจิตการจำแนกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการตู่พระพุทธวจนะแต่ที่จริงมันสอดรับกับองค์ธรรมพะอื่นที่ทรงสแสดงเอาไว้ เป็นทรงแสดงถึงความเป็นมนุษย์ไว้ด้วยคุณธรรมคือกุศลกบอกสประการแสดงความเป็นพรหมไว้ด้วยคุณธรรมคือพรหมวิหารสีประการแสดงความเป็นเทวดาไว้ด้วยคุณธรรมคือริโอตรปะบ้างโดยสตาศีลสุตะจัคะปัญญาบ้างหรือด้วยองค์ธรรมข้ออื่นๆบ้างแสดงความเป็นอริยะด้วยการพัฒนาทางจิต ที่สามารถลดละกิเลสออกไปได้เราแสดงว่าการเป็นอะไรทั้งหมดนั้นก็เป็นที่จิตท่านจึงคิดข้อความขึ้นมาว่าเช่นมนุษย์นิรีโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจตกนรกหมายถึงใจที่ถูกกลุ่มกุมโดนานาาของโทสะพยาบาทอาฆาตจองเวรจองร่างจองพราน เข้าใกล้ก็ร้อนลักษณะจิตใจของคนประเภทนี้จะเป็นเหมือนที่เราน้ำร้อนใส่ผาชนะมันมีรังสีของความร้อนแผ่ออกมากระทบผาชนะแล้วก็ทบออกไปใกล้ๆเลยผลจิตใจของคนที่ถูกโทสะแผดเผาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นแน่นอนร้อนแล้ว แต่เมื่อคุ้งความร้อนตรงนั้นไปไม่ได้มันก็กลายเป็นรังสีอมตะ ท, ที่ออกมาหรือความอาฆาตยาบัดสีสีหน้าท่าทางแววตาไม่ให้ความอบอุ่ไม่ให้ความสนิทสนุบไม่ให้ความเป็นมิตรแสดงถึงจิตที่ขาดแคลนเมตตามีความรุนแรงเยี่นสัตย์เสัตว์นรกทั้งหลายที่จริงตรงนี้ท่านพูดถึงสภาพจิต ท่านพูดถึงตัวคนรูปร่างหน้าตาก็คงเป็นคนท่านยังบอกว่ามนุษยเนรีโกคือกลายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจตกนรกมนุษย์เปโตร่างกายก็คงเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตได้แก่อาการจิตที่ถูกกุ้มรุมด้วยราคะด้วยโลภะ มีความหิวโหยกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักกิ่มไม่รู้จักพอเป็นใจที่พร่องอย่างนี้ท่านแสดงไว้ในธรรมมุตเทศข้อสุดท้ายที่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าของตันหาแสดงเปรตออกมาเป็นรูปธรรมว่าปากถ้ารูเข็มจะท้องท่าปูเขา่าคือแสดงให้เห็นว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่สมอยาก เขมีความอยากอยู่ตลอดระยม่ไดาเพราะอะไรเพราะว่าใจนั้นถูกคุ้มหอด้วยอวิชชาไม่สามารถที่จะวิเคราะห์วินิฉัยตัดสินในไรายใดมนุษย์สัติระชา น, นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นสัตว์ติระชาตรวนี้เป็นอาการของโมหะของอวิชชาที่ชัดเจน เราพูดถึงสัตว์ในหน้าฉานว่าเป็นสัตว์ ร, ร้ายเดียงสาหรือบางทีก็พูดถึงประสาสัตว์หรือแสดงว่าเขาก็ขาดการควบคุมบัคับปัญชาตัวเองเพราะว่าลักษณะเขามืดบอดเยอะมากมนุษย์สัอสุรกายโยมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นอสุรกายหมายความอาศัยเล่ห์กะทาะหลอกลวงต้มตุ๋นบุคคลทั้งหลาย เพื่อผลประโยชน์คนตัวเองแต่คนอื่นสูญเสียผลประโยชน์ลักษณะเหล่านี้ที่ท่านใช้คำรวมๆอธิบายวิชาว่าไม่รู้จักบา บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักนรกสวรรค์ไม่รู้จกกรรัจกทางเสื่อมทางเจริญและจิตใจก็ถูกกุ่มรลุ ม, มด้วยความไม่รู้ตัวนั้นโลภราคะโทสะโมหะบังเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะคุมยังไง คุมมันไม่ได้ก็ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสะกิเลสเ่าดันไม่พยายามที่จะทวนกระแสะของกิเลสจะเปเหยียดคนประสบความทุกข์ด้วยประการต่างๆคนนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงเรื่องการพูดถึงพระริยบุคคลที่เรียกพระริยบุคคลระดับแรกว่าโสดาบันหรือโสตาปันนะโสตะก็คือกระแสะ อนปนาแปลว่าเข้าถึงหมายความว่าท่านที่เข้าถึงกระแสถามว่ากระแสอะไรก็คือกระแสของปณิพันธ์เลยตรงนี้จะพูดเป็นสองกระแสรกระแสหนึ่งเขาเรียกว่ากา ร, ระแสของสังสารวัตรก็เกิดการหมุนวนเมียวิชาเป็นยักษ์ใหญ่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายในกระแสสังสารวัตนั้นจะถูกคุมไว้ด้วยอวิชา เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นกระแสนี้บางทีก็ส่งสอนให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรมรมชัดเจนว่ามันเหมือนกับคนที่ตกลงไปในกระแสน้ําดำในเพราะว่าคนบางคนตกแล้วก็จบหายไปเลยเหมือนกับพฤติกรรมทางจิตหรือในชีวิตของบุคคลทั้งหลายที่ปล่อยกายปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสกระแสอารมณ์ที่มกมุ่นอยู่ในพวกอบัยมุขทั้งหลาย แล้วก็ไม่ยอมเลิกราหรือว่าตายอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเป็นภาพของคนที่เหมือนก็ตกลงมาในกระแสน้ำแล้วก็จมหายไปเลยไม่โผล่ขึ้นมาอีกมาเห็นแสงเดือนแสงตะวันไม่เห็นเหตุเห็นผลสร้างเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนในเก่ตตนอยู่ทุกวี่ทุกวันความคิดก็เป็นศัตรูของตัวเองแต่คนบางคนนั้นตกลงไปจริงแต่ว่า โผล่ขึ้นมาได้แต่ก็จมลงไปอีกก็จมจมจมบ้างโผล่ขึ้นมาบ้างเขาเรียกว่ามีอาการที่ขึ้นขึ้ น, นลงลงไม่สม่ำเสมอหมายความว่าบางครั้งคุณธรรมภายในใจก็เข้มแข็งพอเขาคุมใจได้ระดับหนึ่งกวคุมอาการทางกายทางวาจาเอาไว้แมใ้ใจจะมียวิชาแต่ไม่ถึงก็มืดบอดมากเกินไปท่านก็คุมอาการท่านได้ ในกรณีที่ไม่แรงเกินไปแต่บางครั้งลักษณะาทางอารมณ์ก็พบจากข้างนอกก็แรงเหนียวนึกจากข้างในก็แรงคุมไว้ไม่ได้ก็จมหายลงไปเมื่อว่าในเรื่องอะไรก็ตามเราจะพบว่าการกระทำความดีของคนบางทีมันไม่มีความต่อเนื่องผมไม่มีความต่อเนื่องเมื่อเกิดอาการไม่แน่นอนเหมือนเลยเหมือนนักเรียนเรียนหนังสือที่ขยันไม่ต่อเนื่อง ขยานบ้างเที่ยวบ้างสนุกสนานเสื้อบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะตั้งใจจริงอาการไม่แน่ในผลสอบมันก็เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าแล้วที่จริงไม่ใช่ไม่แน่เฉพาะตรงนั้นไม่แน่แม้แต่การงานที่จะสมัครเข้าทําแล้วเมื่อทําแล้วการแสดงความรู้ความสามารถที่ศึกษาเราเรียดมากว่าจะเป็นเครื่องประการนาคตสร้างอนาคตเสริมอนาคตมันตัวเองได้หรือไม่นันเป็นลักษณะ ของชีวิตประจำวันของคนที่เราเห็นได้ชัดว่าจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากตัวอวิชชาือความไม่รู้ไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้สถานะของตนในขณะนั้นๆว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมเป็นการสร้างสารรค์พัฒนาให้เกิดความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองนี่ก็ลักษณะปลุกโผลคนอีกประเภทหนึ่งนั้นสามารถระคองตัวเองไว้ได้ การประคองตัวไว้ในกระแสน้านั้นก็เหมือนการประคองใจไว้ในกุศลให้เราสังเกตว่าบางคดนั้นศรัทธาไม่มั่นคงเท่าไหรแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งท่านก็ประคองตัวท่านได้หมายความว่าเพื่อนไม่มาจับกดน้ำมันก็อยู่ในน้ำได้แต่ถ้าใครจับกฎลงไปบางทีแรงต้านทานไม่พอ ปนนัญในการปฏิบัติธรรมะท่านาชนทานจะสังเกตได้จากใจเราเองชัดเจนว่าแต่เราปกติมันก็ไม่เลวร้ายอะไรเท่าไหรหรอกแต่มันยุ่งที่การรับสื่อมาจากข้างนอกเป็นตัวปลุกเราเป็นตัวเร่งเราเป็นตัวกระตุ้นอ่านหนังสือพิมพ์ก็ร้อนดูโทรทัศน์ก็ร้อนฟังข่าวคราวต่างๆก็ร้อนมันมีแต่เชื้อของกิเลส เชื้อของราคะเชื้อโลภะเชื้อโทสะเชื้อโมหะมันก็เพิ่มขึ้ น, นเรื่อยอวิชชาก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรดูแล้วบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับแม่นม้ําที่คลองเล็กคลองน้อยมีแต่สิ่งสกปรกแม่น้ําจะใหญ่ยังไงก็ตามก็ต้องขุดแล้วอาจจะเป็นแหล่งที่รวมของสิ่งสกครกทั้งหลายจากคลองเล็กคลองน้อยที่ไหล ที่น้ำไหลลงสู่แม่น้ำลักษณะาทางอารมณ์ของเราบางครั้งมันจะเป็นเช่นนั้นถ้าใจยังถูกครุ้มรลุมไปด้วยอวิชชาบมากมันก็จะมีอาการอย่างนั้นแต่ว่าบางท่านท่านไหว้ท่านประคองตัวท่านทวนกระแสดได้ มีลักษณะยั่วยุย่ยวนมาจากข้างนอกอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงถึงหลักการปฏิบัติสาคัญหรือหมายความระดับที่ค่อนไปทางกรรมฐานแล้วนี่ไม่พูดตรงอื่นพูดอยู่ที่การร ะ, ระวังจิตเราเห็นว่าการระวังจิตอย่างนั้นจะมีปัญญาเป็นแสงสว่างส่องจิตอยู่ซึ่งหมายความมาอวิชชาต้องลดความเข้มข้นลงไปทรงสอนในแนวของความไม่ประมาท จึงก็เป็นอาการของสติซึ่งก็หมายความมามีสัมผชัญญอยู่ด้วยระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดแต่นอนอารมณ์นั้นเป็นที่น่ากำหนัดโดยสภาพของมันหรือว่ายุโยยนให้เกิดความกำหนัดก็ตามใจจะต้องทานกระแสอารมณ์เราได้ยุโยยนวยายุบเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราป้องกันเขาไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติมันก็ป้องกันที่ใจเรา ไม่จะไปแก้ไขที่คนอื่นคนอื่นก็คงเป็นอย่างที่เขาเป็นห้องทำอย่างที่เขาทำแล้วถ้าก็จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องของจิตสํานึกที่ดีงามของเขาเองระวังใจย้ายขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองหมายความ่าแม้จะมีการรั่วยุมาจากข้างนอกก็เกิดความขัดเคืองเขามีสิทธิ์ที่จะยั่วยุเราไปห้ามเขาไม่ได้ปัญหาสําคัญว่าเราจะทจําใจยังไงอย่าให้ขัดเคือง จนถึงกระดาษต่อผู้ด่าประหานตอผู้ประธานพระทุศร้ายต่อผู้พระทุศร้ายโกรธตอผู้โกรธซึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในด้านพัฒนาการทางจิตระวังใจไม่ลุ่มหลงนั้นก็มาความว่าอาวิชชาจะต้องไม่มากธรามาก็ลุ่มหลงแน่นอนกำหนัดแน่นอนขัดเคืองแน่นอนในชั้นนี้เป็นการใช้สติสัมมาชนญา เป็นหลักในการสกัดกัน้นปิดกระแสวความรู้สึกเอาไว้มันอาจจะรู้สึกแล้วแต่ว่าหยุดความคิดตรงนั้นเอาไว้ย้ายเกิดความรุนแรงมากกว่าที่มันเป็นตอนนองไฟลุกไม้ขึ้นมาก็รีบตัดมันอาจจะมีรอยไม้อยู่บ้างมีกลิ่นเหม็นด้วยบ้างแต่ปัญหามันก็ไม่แรงแล้วก็สรุปไว้ที่ระวังใจอย่าให้ประมาท ในอารมณ์อันเป็นที่ตัองอ้งแห่งความประมาทโดยเฉพาะาการระวังใจอย่างนี้อวิชชาต้องไม่เข้มขน้นถ้าเข้มข้นแล้วระมัดระวังใจไม่ได้เพราะมันมีอาการของความมืดบอดไม่รู้จะระมัดระวังอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรจะแก้ไขจะป้องกันจะบรรเทาจะสงบระงับจะเพิ่มพูนอย่างไรนี่ไม่เข้าใจนี่ก็คือเส้นทางที่เรียกว่าทุกขติ ดเดิมก็เป็นทุกขโตแต่ถ้าก้าวไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าทวนกระแสได้ก็เริ่มจะเข้ามาทางที่เราเรียกว่าสุกโตคือเดินไปดีดําเนินไปดีเป็นลักษณะของบัณฑิตนักปราชญ์คนดีทั้งหลายในโลกก็เรียกว่าอะไรก็ได้ในบริษัทบรุษอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ท่านใช้คําว่าสุกโตคือดําเนินไปดี สุกโตโดยเนื้อหาสาระแล้วก็ทํานองเดียวกับสุกโตในพระพุทธคุณหมายความว่ามาดีอยู่ดีแล้วก็ไปดีพุทธเจ้านั้นไปที่ไหนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในชิ้นั้นคนทั้งหลายก็ระความชื่นชมยินดีแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนนะนะบพราะคนไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มีคนขัดขวางพระพุทธเจ้าก็มีสมัคคนเหล่านั้นมันก็เหมือนกระหน่ำตามต า, ม ต, ามตามใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้ให้เราตังเกตว่าเอาก็จริงคนอื่นเขามีความรู้สึกยังไงเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบความคิดของเขาเองแล้วท่านเหล่านี้แสดงว่าอาวิชชานั้นต้องลดลงแม้ท่านจะตกลงไปในกระแสน้าแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ประคองตัวไม่ให้ถูกกระแสน้าพัดผ่านไปได้ และที่สำคัญย่างยิ่งถ้ามองไปอีกจุดหนึ่งที่ส่งแสดงในรูปของภัยอันตรายในกระแสนำ้ำซึ่งเป็นการสะท้อนอาการของกิเลสโดยนิยะดังกล่าวแต่ท่งแสดงไว้เป็นรูปธรรมเพราะภัยแรกนั้นคือภัยขึ้นเป็นอารมณ์ที่มากระทบทนต่อการบอกกล่าวแนะนําตักเตือนข้ามปรามของคนอื่นไม่ได้จะเกิดความโกรธควา ม, วามหงุดหงิดความราํคาคาญการต่อต้าน อันนี้เป็นอารมณ์ซึ่งจะเป็นพิษเป็นภัยต่อใจของบุคคลนั้นมันเป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะระบาดลุกลามไปใหญ่โตอย่างการกระทมบางอย่างนั้นเป็นอาจากการรามระดับโลกแต่แเรามองแล้วก็คือเกิดมาจากความโกรธเกิดมาจากความริษยาเกิดมาจากการแข่งดีเกิดมาจากความโลภ ทั้งหมดเป็นเรื่องของอวิชาดังนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาสืบมาจากอาวิชาด้วยกันกันนั้นเพราะในจุดนี้ท่านจึงสอนให้บุคคลเพียรพยายามที่จะลดตัวอวิชาหรือความเข้มข้นของวิชาไปอย่างน้อยที่สุดแม้แมมีอารมณ์มาโยยุให้เกิดความโกรธก็ไม่ถึงกับโกรธ แต่ว่าอารมณ์ที่แรงเราจะต้องเข้าใจสภาพจิตของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์โลกชั้นกา ม, มาพจรกา ม, มาพจรก็คือกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายต้องการเน้นรูปสวยๆฟังเสียงไพเราะ ด, ดมกลิ่นหอมๆสัมผัสรสเที่อยอริมรสเที่รอริสัมผัสสิ่งที่ตัวเองพอใจยินดีก็เป็นลักษณะอย่างนั้นธรรมาชาติของเขากเป็นอย่างนั้น วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้จึงไม่ได้สอนว่าให้ตัดไปเลยแต่ตัดไปเลยได้ก็ดีมันเป็นเป้าหมายเป็นอุดมการณ์เป็นชีวิตระดับอุดมการณ์แต่ว่าไทยทํายังไงใหญ่ถูกพัดผันไปในกระแสะของรมรมรอนนั้นที่ทรงใช้คำว่าวางน้าบุญคือเป็นน้าบุญให้ลองสังเกตคนเราตั้งแต่เกิดจนตายก็วุ่นอยู่กับรู้เสียงกินเราสัมผัสนี่เองไม่ได้ไปไหนเลย จะส่งแสดงว่าคล้องคล้องจิตเหมือนกับสัตว์ที่ติดอยู่ในตาข่ายของมแหลงมุมหรือคนที่ถูกครุมไว้โดยตาข่ายบางทีทรงอุปมาว่ามันยุ่งเมื่อกันได้เมื่อก็หลอดได้หรือกลุ่มได้แต่บุคคลโยนไปแต่มันคลี่ล้วจะแก้จะแก้ไขจะท า, ะาให้เรียบร้อยมันทมยากมากโรคมันก็ยุ่งกับมันอย่างนั้น แต่ลองสังเกตคนยุ่งในเรื่องนี้เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องปด๋ยตะพาเรื่งธรรมรารมเพราะเราพอใจบังขาดวิชาก็วนอยู่ตรงนี้ต่อสู้ยื้อแย้งล้มตายเสียหายกันเพราะตรงนี้นั้นแสดงว่าอยู่ในกระแสะแล้วก็ที่สาคัญอย่างยิ่งคือตกลงไปในน้ําบนดีอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของความอดความกระสันอยาความหยาก ความอยากกินคล้ายๆกับอนุสเปโตที่ว่ามาแล้วแต่ตรงนี้ทรงอุปมาเหมือนเจอระเ้เพราะเจอร์เค้นั้นจะกินอาหารใน ล, นาากลักษณะตะกรตะกรจะจับอะไรก็เดือเข้าไปคือกลืนเข้าไปเลยซึ่งก็มีความเสี่ยงมากคนเราเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากผิวโหยไม่ได้แต่ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะตายเพราะอาหาร เรามองปลามองสัตว์ที่ตายเพราะอาหารถูกล่อโดยอาหารและคนเป็นจำนวนมากที่ถูกล่อโดยอาหารตายกันมาแล้วทุกยุบถู ก, ก, กสมัยอีกนหนึ่งสองอุ ป, ปมาเมันก็ปลาฉลามไรตรงนี้ชักจะประนิดขึ้นหน่อยความว่าเป็นศีลระดับอภรรมคือจิตใจอ่อนไหวไปเรื่องเพศตรงกันข้าม ของบุคคลทั้งสองเพศหมายความว่าต้องอ่อนไหวไปหนักไปในทางกำหนัดเพลิเพลินแล้วก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ปราชลามไรไปในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่สะท้อนให้ดูทั้งหมดถ้าหากว่ามีวิชาอยู่ก็สามารถที่จะไปในแม่น้ำในลำคลองเราได้ แม้จะมีน้ำบนก็พาเรือพายานพานะให้รอดพ้นไปได้สามารถหลบหลีกได้เรามองภาพของน้ำบนมองภาพของคลื่นมองภาพของจระเข้มองภาพของสลามหยาดรายที่มันมีอยู่ปกติในสถานที่ต่างๆ แ, และคนก็ไปมาหาสู่กันอยู่ในแม่ น, น้ำล่องคลองเหล่านั้นทําไมไปได้ทําไมบางพวกถูกปรากัด ทําไมบางพวกถูกเจอระเค้กัดตายบางพวกบางพวกตกอยู่ไปในบางน้ําบนบางพวกตกหลบคลื่นซัดตายแต่ว่าทําไมคนบางพวก จ, จึงพาตัวเองและพายานพาหน้าให้รอดปลอดภัยได้เมื่อก็อยู่ที่ปัญญารู้เห็นรู้เท่าทันถึงความจริงที่จริงแล้วเป็นการรู้ล่วงหน้าเป็นการเตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้าตรงนี้มีคลื่นทําอย่างไรจะฝ่าคลื่นไปได้ ตรงนี้มีน้ำบนทำอย่างไรจะผ่านพ้นน้ำบนไปได้ตรงนี้มีจเจอร์เคทำอะไรจะปลอดภัยได้สรงนี้มีฉลามารมีปลารทำอะ ไ, ไรเราจะรอดปลอดภัยได้เอาก็จริงถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่คนที่รอดปลอดภยัยมีมากกว่าคนที่ตกเป็นอันตรายก็แสดงให้เห็นถึงตัวอวิชาที่มันลดลงไปไม่ได้อยู่มืดตื้อ แต่ก็มองเห็นอะไรกันพอสมควรควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในเส้นทางอีกสายหนึ่งที่ทรงใช้คํำว่าสัมมามะตอ้นน <BLANK. S 1> ี <finance> ้ไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสุขต่อไป